ก็คล่องแคล่วไม่อืดอาดล่าช้าอันเป็นลักษณะเกียรติคร án เข้าแอบแฝงท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอหลายชั้นหลายภูมิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่ค่อยขาดเรื่องเหล่านี้ท่านถือเป็นธรรมดาที่แปลกอยู่บ้างก็คือพวกผีพากันย้ายบ้านเรือนครอบครัวจากแถบบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งใกล้ภูเขาหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทงางภาคอีสาน ไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กันมากมายมีทั้งขี่มา้าขี่วัวอุ้มลูกอากระบุงตะกรา้าขนครอบครัวผ่านไปหน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่พอไปถึงหน้าบริเวณนั้นหัวนหน้าผีพาบริษัทบริวารเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านถามการไปมาของผีเหล่านั้นได้รับคำตอบจากเขาว่ากาลังพากันย้ายครอบครัวลูกหลานมาจากบ้านนั้นๆัดังกล่าวแล้ว มาอยู่ภูเขาจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกผีบอกว่าทางนวดอดอยากกันดานมากผู้คนไม่มีศีลธรรมมีแต่ฉชคลักป ล, ล้นขโมยและฆ่าฟันรันแทงกันไม่เว้นแต่ละวันผีก็มีนิสัยคล้าย ก, ก, กันกับมนุษย์คือกลายเป็นผีไม่มีศีลธรรมไปตามมนุษย์เบียดเบียนกันทำลายกันเหมือนมนุษย์ทาให้เกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแต่ก่อน ทราบจากญาติญาติเขามาเยี่ยมบอกว่าทางเชียงใหม่นี่มีความพาสุขมนุษย์ก็มีศีลธรรมดีกว่าที่อื่นๆสัตว์จำพวกมนุษย์ไม่รู้จักดังพวกผมนี้ที่อยู่เชียงใหม่ก็มีและมีศีลธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่นๆจึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคำญาติเล่าให้ฟังคำว่าญาติในที่นี้กรุณาทราบว่าเป็นผีเช่นกัน ท่านถามเขาว่าคําว่าอดอยากกันดาร น, นั้นอดอยากกันดารอย่างไรเราไม่ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเหมือนมนุษย์จะต้องปลูกสร้างขวนขวานให้ลําบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่กันกิ น, กนเหมือนมนุษย์เขาตอบว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีวิบากกรรมติดตัวอยู่แล้วจะไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็มีวิบากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุน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 เราไม่สําคัญเท่าธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายชอบและจําต้องอาศัยโดยทั่วกันความดีนั่นแลคือศีลธรรมสุขที่เกิดจากความดีนั่นแลคือศีลธรรมอีกเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายเหตุกับฝ่ายผลต่างกันเพียงเท่านั้นที่ว่าผีมีศีลธรรมคือผีผู้ดีมีนิสัยดีอิริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดี ที่ว่าผีไม่มีศีลธรรมก็คือผีผู้ไม่ดีมีนิสัยไม่ดีมีกิริยาที่แสดงออกทุกอาการต่อเพื่อนผีด้วยกันไม่ดีเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ดีและมนุษย์ผู้ไม่ดีแสดงออกต่างกันนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั่นจึงร่มเย็นขาดศีลธรรมที่ไหนที่นั่นจึงร้อนท่านถามว่า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 มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้นจึงไม่คิดถึงท่านถามว่าระบุงตะกร้าที่พากันหาพรุงพรังมาเนี่ยเอามาทำไมกันม้าวัวเหล่านั้นเอามาทำไมทิ้งไว้โน้นไม่ได้หรือเขาตอบว่าก็เครื่องใช้สอยของผีสมบัติของผีผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผี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 เพราะพวกนี้เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่มีรูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายทิพย์ด้วยกันความสุขความทุกข์มีเหมือนกันเพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในพบกาเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องเสวยเหมือนกัน ท่านว่าเวลามองผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจํานวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวเย่าเรือนลักษณะาการตายที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นห ม, มองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจําพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั้นนั่นแหละทาให้คิดในธรรมบทว่า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 และทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกขโดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแยง้งหรือตัดกรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้น เป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้